พลังทิพย์พลังแห่งกระแสจิตอำนาจแห่งการแผ่เมตตาเขียนโดยพรรัตนสุวรรณพลังทางจิตเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันเรื่องพิสูจน์ได้แล้วส่วนหนึ่งและเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของทุกคนและยังสามารถพิสูจน์ได้จากประสบการณ์ตรงได้หลายวิธีในที่นี้จะเป็นการอธิบายในแง่มุมจากคมภีร์ทางพุทธศาสนาเพื่อเข้าใจธรรมชาติของชีวิตในเรื่องพลังงานทางจิต ซึ่งมีความสัมพันธ์และส่งผลดีร้ายต่อทุกคนและสังคมอย่างคาดไม่ถึงหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราเข้าใจถึงพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งที่มีอยู่จริงอันจะทําให้เข้าใจการแผ่เมตตาที่ถูกต้องและเข้าใจได้ตรงว่าอ น, นิสงผลที่เกิดมากมายจากการแผ่เมตตานั้นเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ได้อย่างไรจิต ท, ที่มีการแผ่เมตตาเป็นปกติเป็นประจํานั้นย่อมเป็นเชื้อดีที่ส่งต่อให้ทานศีลภาวนา เป็นไปโดยอัตโนมัติและตั้งมันได้ง่ายการศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจจึงจําเป็นมากที่จะส่งผลดีต่อชีวิตของทุกคนแม้ว่าชีวิตยังต้องวุ่นวายกับงานทั้งโลกแต่ก็สามารถสะสมบุญกุศลมหาศาลได้ทุกวันทุกเวลาการแผ่เมตตาที่ถูกต้องเป็นประจำจะสร้างพลังงานทางจิตที่ดีใครอยู่ใกล้ก็จะพลอยเป็นสุขและรู้สึกดีได้ง่ายจะดึงดูดคนดีให้มาชอบพอจะผลักคนไม่ดีให้ออกห่างหรือกลับใจเป็นมิตร จิตที่เปี่ยมด้วยเมตานั้นจะทำอาชีพอะไรคนก็จะเอ็นดูเมตตาอยากช่วยเหลือส่งเสริมได้ง่ายและมีพลังที่มั่นคงแข็งแรงได้ผลดีแน่นอนกว่าเครื่องลางของขลังหรือพิธีกรรมภายนอกและไม่ใช่แค่มีผลกับคนแต่ยังมีไปถึงสิ่งที่มองไม่เห็นที่อยู่ต่างภพภูมิกันด้วยดังจะเห็นได้จากอา น, นิสง์ของเมตตาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของมนุษย์และอามนุษย์ทั้งหลายเทวดารักษาไฟยาพิษสัตราทําอันตรายไม่ได้จิตตั้งมั่นได้เร็วสีหน้าผ่องใสเวลาตายไม่หลงลืมสติถ้ายังไม่บรรลุอรหัตผลย่อมเข้าถึงโรมโลกซึ่งเป็นภูมิที่อยู่เหนือเทวดาทั้งหลายแต่การจะได้ผลดังนี้จะต้องศึกษาให้เข้าใจและทาให้ถูกต้องก่อนด้วย ในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพลังทิพย์พลังจิตพลังงานวิญญาณพลังแห่งความคิดคลื่นกระแสจิตกระแสเมตตาอำนาจสร้างสรรค์อำนาจบรรดาลที่เกิดจากพลังจากจิตหัวข้อที่สําคัญพลังทิพย์คืออะไรสื่อของพลังทิพย์ความคิดลั่นไปถึงผู้อื่นได้อย่างไรเหตุใดจึงรับความคิดจากคนอื่นไม่ได้ทุกอย่าง พลังแห่งความคิดคือปัจจัยสําคัญที่เกิดวัตถุอย่างไรการแผ่เมตตาเป็นประโยชน์ต่อโลกอย่างไรกระแสจิตพลื้นความคิดมีผลต่อคนรวมทั้งโอปปาติกะคือผีและเทวดาได้อย่างไรและสรุปลงที่การทําความเข้าใจในเรื่องวิธีแผ่เมตตาที่ถูกต้องสําหรับเนื้อหาบางส่วนอาจจะรู้สึกเข้าใจยากไปบ้างก็ขอให้ฟังด้วยใจสบายอะไรไม่เข้าใจก็ขอให้ผ่านไปก่อนแล้วจับแต่ประเด็นสําคัญที่พอเข้าใจได้ไว้ก่อน มีโอกาสเพื่อยกลับมาฟังซ้ำซึ่งการฟังธรรมนั้นในบางหัวข้อจําเป็นมากที่ต้องฟังซ้ําๆจึงจะเข้าใจได้จริงนะครับเหมือนกับที่ท่านแต่งพระไตรปิฎกเป็นบทสวดจะเห็นได้ว่าจะมีเนื้อหาซ้ําไปซ้ำมาค่อนข้างเยอะทั้งที่บางทีาาสาระสําคัญแค่ไม่กี่ประโยคเท่า น, นั้นเองความรู้ใดก็ตามหากได้นํามาท่องซ้ําไปซ้ํามาหรือฟังซ้ําไปซ้ํามาและพิจารณาไปด้วยจิตที่สงบ ก, ก็จะเป็นเหตุให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปเดื่อยลำดับนะครับ